เจรทท่านสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบสิงหาคมพุทธศักราช5 5งเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบาเพ็ญสร้างบุญสร้างกุศลเพราะเชื่อว่าการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ เป็นภพชาติที่สามารถสร้างบุญสร้างกุศลได้อย่างเต็มที่จะสร้างบุญเพื่อไปสวรรค์ก็ได้สร้างบุญเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ได้ไม่มีภพอื่นสามารถที่จะสงสมบุญกุศลได้เท่ากับภพบของมนุษย์ถ้าไปเกิดเป็นเดรัจฉาน เช่นเป็นสุนัขเป็นแมวก็จะไม่สามารถบำเพ็ญบุญกุศลได้จะมีแต่ทำบาปเพราะสุนัขหรือแมวจะต้องหากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาจะไม่คำนึงถึงว่าจะต้องฆ่าผู้อื่นเพื่อให้ได้อาหารมาหรือไม่หรือจะต้องลักขโมยอาหารของผู้อื่นมาการหาความสุข ทางการเขาก็จะเสพกางกันแบบไม่เลือกว่าเป็นของใครเขาไม่มีคู่สามีภรรยาเหมือนกับมนุษย์เขาก็เจอใครเจอตัวไหนเขาชอบตัวไหนเขามีความต้องการเมื่อไรเขาก็จะหาความสุขกับตัวนั้นทันทีเขาจึงไม่มีโอกาสที่จะได้รักษาศีล ไม่มีโอกาสจะได้ทำบุญให้ทานอย่างพวกเราที่มาทำกันในวันนี้ถ้าเกิดเป็นเปรตก็เป็นภพที่จะต้องไปใช้เวรใช้กรรมเปรตก็จะมีแต่ความหิวมีความอยากตลอดเวลาเพราะเกิดจากความโลภในสมัยที่เป็นมนุษย์โลภมากๆแล้วก็สนองความโลภด้วยการทำผิดศีล ไปฆ่าผู้อื่นบ้างไปลักทรัพย์ของผู้อื่นบ้างไปประพฤติผิดต่อเวณนีบ้างทำไปด้วยความโลภทั้งๆ ท, ที่ตนเองก็มีพอมีพอกินมีสามีมีภรรยาของตนอยู่แล้วแต่ความโลภอยากจะได้มากๆอยากจะเสพการมากๆ ก, ก็เลยทาให้ต้องไปทำผิดศีล ไปลักทรัพย์ไปฆ่าผู้อื่นไปประพฤติผิดประเวณีเมื่อตายไปก็ต้องไปรับใช้กรรมเป็นเปรตหรือถ้าไปตกนรกก็จะมีแต่ความทุกข์ความรุ่มร้อนใจเผาผลาญจิตใจอยู่ตลอดเวลาไม่มีกระจิตกระใจที่จะทำอะไรเพราะสมัยที่เป็นมนุษย์ก็ไปฆ่าผู้อื่นด้วยความอาฆาตพยาบาท ด้วยความโกรธแค้นโกรธเคืองเมื่อตายไปก็ต้องไปใช้กรรมในนรกนระกและภูมิของเปรตจึงเป็นที่ไปใช้กรรมเหมือนกับไปติดคุกติดตารางเว ล, ลาที่เราทำผิดกฎหมายแล้วถูกจับไปลงโทษเขาก็จะจับไปขังไว้ในตารางคุกตารางของจิตใจหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ก็คืออบายเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างหรือไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างส่วนผู้ที่ทำบุญให้ทานรักษาศีลเมื่อตายไปก็จะได้ไปรับใช้ไปสวยบุญไปเกิดเป็นเทพบ้างเป็นพรหมบ้างแต่บุญและบาปที่ได้ทำกันนี้คือทานก็ดีศีลก็ดี ด้วยการทำจิตใจให้ส ง, สงบด้วยการนั่งสมาธิก็ดีเป็นบุญที่มีอายุ ม, มีความเสื่อมหลังจากสร้างบุญไว้แล้วเมื่อไปรับสวยบุญในสวรรค์สักระยะหนึ่งบุญที่ได้ทำไว้ก็จะเสื่อมหมดไปจิตก็ต้องตกลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาสร้างบุญสร้างกรรมใหม่เช่นเดียวกับบา บาปที่ทำเอาไว้เมื่อตายไปต้องไปตกนรกบ้างไปเกิดเป็นเปรตบ้าง <c oughs> เมื่อเมื่อหมดกรรมแล้วก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เกิดกลับมาสร้างบุญสร้างกรรมใหม่ถ้าอยากจะทำบุญแบบที่ไม่เสือ่อมก็ต้องทำบุญอีกขั้นหนึ่งคือนอกจากการทำบุญให้ทานรักษาศีล น, นั่งสมาธิแล้วก็ต้องเจริญปัญญา หรือเจริญวิปัสสนาต้องพิจารณาความไม่เที่ยงความทุกข์ความไม่มีตัวตนของสิ่งต่างๆที่จิตใจเข้าไปสัมผัสเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเช่นร่างกายของเราก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะเราไปหลงยึดติดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเพราะมันไม่ใช่ตัวเราของเรา เวลาเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายใจก็เกิดความตกตนกเกิดความหวาดวิตกเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาเป็นความทุกข์ทางด้านจิตใจขึ้นมาถ้าเราไม่ต้องการที่จะมีความทุกข์อย่างนี้และไม่ต้องการที่จะกลับมาเกิดมีร่างกายเป็นมนุษย์อีกหรือเป็นเทพเป็นพรหมหรือเป็นอะไรก็าตาม เราก็ต้องเจริญวิปัสสนาปัญญาอยู่เรื่อยๆสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้าเราสามารถพิจารณาจนปล่อยวางร่างกายได้ไม่กลัวว่าร่างกายจะเป็นอะไรร่างกายจะตายก็ไม่วิตกไม่ทุกข์ไม่กังวลก็ถือว่าได้บรรลุ พรอาริยมรรคขั้นที่หนึ่งที่เรียกว่าโ ส, โสอริยผลขั้นที่หนึ่งเรียกว่าโสดาปฏิผลหรือบรรลุเป็นพระโสดาบันถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปถึงแม้จะได้เคยทําบาปทํากรรมมามากน้อยเพียงไรก็ตามก็จะจิตใจจะไม่ต้องไปเกิดในอบาย เพราะมีปัญญานี้คอยคุ้มครองพระโสดาบันนี้จะเห็นว่าบาปกรรมนี้เป็นต้นเหตุที่จะให้ไปเกิดในนรกไปเกิดในอบายดัยงนั้นท่านจะไม่กล้าทําบาปทํากรรมระหว่างการทําบาปทํากรรมกับการเสียชีวิตของตนเองไปตนเองพร้อมที่จะเสียชีวิต มากกว่าที่จะไปทําบาปทํากรรมคือสมมติเช่นอดยาขาดแคลนไม่มีอาหารก็จะไม่ไปยิงนกตกปลา <c oughs> เพื่อเอามาเป็นอาหารยอมอดตายดีกว่าไปทําบาป ท, ทำกรรมเพราะถ้าทําบาปทํากรรมแล้วจะต้องไปตกนรกไม่คุ้มค่าเพราะว่ามนุษย์ของมนุษย์นี้ยังไงยังไงเดี๋ยวก็ต้องตายอยู่ดี เรื่องอะไรที่จะต้องตายแบบขาดทุนตายแล้วต้องไปใช้หนี้ไปตกนรกไปเกิดเป็นเปรไปเป็นเดราาัจฉานสู้ยอมอดตายดีกว่าตายแบบนี้แล้วไปสวรรค์ไปสู่สุขตินและภพชาติของพระโสดาบันก็จะเหลือเพียงเจ็ดชาติเป็นอย่างมากถ้าจเจริญปัญญาวิปัสสนาขั้นต่อไปได้ก็จะเหลือเพียงขั้นเดียว คือถ้าหนึชาติเดียวถ้าจเจริญความไม่สวยงามของร่างกายร่างกายของคนเหล่านี้มีทั้งส่วนที่สวยงามและส่วนที่ไม่สวยงามแต่คนที่มีความหลงพรอบงาจิตใจจะไม่สามารถมองเห็นส่วนที่ไม่สวยงามได้จะเห็นแต่ส่วนที่สวยงามเพราะอยู่ภายใต้อำนาจของความหลง ที่จะคอยสั่งให้ดูแต่ส่วนที่สวยงามเวลาเห็นคนก็จะเห็นว่าสวยงามหน้าตาดีอยากจะมีความสุขอยากจะเสพการกับเขาอยากจะมีเพศสัมพันธ์กับเขาแต่ถ้าเป็นคนที่ฉลาดและได้เคยได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะรู้ว่าคนเราั้นเป็นเหมือนเหรียญมีสองด้านมีทั้งหัวและมีทั้งก้อย สวยงามก็มีไม่สวยงามก็มีเช่นเวลาคนที่ตื่นตื่นนอนขึ้นมาใหม่ๆยังไม่ได้ล้างหน้าล้างตาไม่ได้หวีผ้าหวีผมไม่ได้แต่งหน้าทาปากก็จะดูไม่สวยงามแล้วถ้ามองเข้าลึกเข้าไปภายใต้ผิวหนังก็จะเห็นเนื้อเห็นเห็นเอ็นเห็นกระดูกเห็นอวัยวะต่างๆและ แถ้าพิจารณาก็ไปอีกก็จะเห็นว่ามีสิ่งประสกปกสิ่งปฏิกูลไหลออกมาจากร่างกายอยู่เสมอเช่นเหงื่อคลส่งกลิ่นเหม็นหรืออุจจาระปัสสาวะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในคนสวยๆเงงงา ม, ามรูปรูปลอลอๆด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้าไม่มีปัญญาไม่มีวิปัสสนาก็จะไม่พิจารณาทางส่วนนี้ก็จะไม่เห็น เมื่อไม่เห็นก็จะเกิดความหลงหลายข้างใครอยากจะได้บุคคลนั้นมาเป็นคู่ครองอยากจะได้มาเป็นคู่รักคู่ผู้ที่จะให้ความสุขกับตนแต่ถ้าเราจะเดิญวิปัสสนาทางด้านอสุภะได้เรื่อยๆจนติดตาติดใจอยู่ตลอดเวลาเวลาเห็นคนสวยคนรอก็จะเห็นส่วนที่ไม่สวย ส่วนที่ศกโรกนี้ตามมาด้วยก็จะไประ ง, งับดับความอยากราคะปัญหาความอยากที่จะเสษเพศมีเพศสัมพันธ์กับคนคนนั้นได้ถ้าทำไปได้ในระดับที่ทำให้ลดละลงไปเบาบางลงไปแต่ยังทำไม่ได้หมดท่านก็เรียกว่าได้บรรลุ พระอาริยมาารรยพุทธขั้นที่สองเรียกว่าขั้นส ก, กิดาคามีถ้าได้บรรลุถึงขั้นนี้พบชาติก็จะเหลือเพียงพบชาติเดียวและไม่ต้องไปเกิดในอบายเช่นเดียวกันจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์และจะบรรลุเป็นพระอาริยะสูงขึ้นต่อไปคือขั้นที่สามขั้นที่สามก็คือผู้ที่สามารถ มีวิปัสสนาเห็นความไม่สวยงามของร่างกายได้ตลอดเวลาเมื่อเวลาจะมองใครเมื่อไหรก็จะมองเห็นส่วนที่ไม่สวยงามเสมอไม่ได้มองเพียงส่วนเดียวไม่ได้มองส่วนที่สวยงามแต่จะเห็นทั้งส่วนที่ไม่สวยงามละ ด, ด้วยจนทำให้เกิดความเบื่อหน่ายไม่มีความยินดีที่จะมีเพศสัมพันธ์กับใคร พวกนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นที่สามเรียกว่าขั้นพระอนาคามีพระอนาคามีนี้ท่านก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในภพของมนุษย์อีกต่อไปถ้าท่านยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในชาติปัจจุบันเมื่อท่านตายไปก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ในลำดับต่อไปเป็นขั้นที่สี่ ผู้ที่บรรลุพระอารหันต์ได้ก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเป็นผู้สามารถกำจัดความโลภความโกรธความหลงที่ละเอียดที่มีซ่อนอยู่ภายในจิตใจได้จนหมดสิ้นเมื่อหมดสิ้นแล้วพพชาติก็ไม่มีต่อไปสําหรับบุคคลนั้นบุคคลนั้นก็จะมีแต่บารมสุขบรมมังสุขขังมีแต่ความสุข อย่างถาวรต่างกับความสุขของพวกเราที่เป็นความสุขที่ไม่ถาวรความสุขของพวกเรามีความทุกข์เป็นเงาตามตัวอยู่เสมอชีวิตของเราจึงต้องลิ้นหนหนีความทุกข์อยู่เรื่อยๆได้อะไรมาก็ได้ความสุขเดียวเดียวเดี๋ยวความทุกข์ก็ตามมาอีกก็ต้องหนีอีกต้องหาอะไรมาทาลายความทุกข์อีก ต่อให้เราหาอะไรมามากน้อยเพียงไรก็จะไม่สามารถทำลายความทุกข์ได้เพราะสิ่งที่เราหามานั้นล้วนมีความทุกข์ติดมาด้วยทั้งนั้นเช่นเราอยู่คนเดียวเราเหงาเราอยากจะมีคู่ครองเราได้สามีมาได้ภรรยามาเราก็ต้องมาทุกกับสามีทุกกับภรรยาเช่นเวลาเกิดการทะเลาะวิวาทกันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา หรือเวลาไม่เห็นหน้ากันก็เกิดความห่วงใยเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นเดียวกันแล้วถ้าเกิดเวลาที่ต้องพัดพรากจากกันตายจากกันไปก็ต้องร้องห่งร้องไห้ก็เป็นความทุกข์อีกนี่คือความทุกข์ที่ตามมากับความสุขพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราเจริญวิปัสสนาอยู่เรื่อยๆอย่าหลงอยากได้อะไรอยากมีอะไร เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้มีความทุกข์เป็นของแถมมาด้วยและจะเป็นความทุกข์ที่มีมากกว่าความสุขสู้อยู่หัดอยู่คนเดียวให้ได้จะดีกว่าให้หาความสุขในตัวของเราเองด้วยการทําบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญวิปัสสนาเพราะเมื่อเรามีบุญกุศลเหล่านี้แล้ว จิตใจของเราจะสงบระงับเพราะบุญกุศลจะเข้าไปทําลายความโลภความโกรธความหลงอันเป็นต้นเหตุที่สร้างความอยากความโกรธความหลงความโลภให้กับใจถ้าเรามีความโลภเมื่อไหร่ใจของเราก็จะต้องลิ่นลนกวาดแกว่งอยู่ไม่เป็นสุขเกิดความโกรธขึ้นมาก็จะต้องเกิดความรุ่มร้อนภายในจิตใจเป็นอย่างมาก ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะไม่หลงถ้าเรามีวิปัสสนาเราก็จะไม่หลงคิดว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีคนนั้นดีคนนี้ดีเพราะเราจะเห็นว่าสิ่งนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีล้วนเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยมมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปถ้าไปหลงยึดติดเวลาเขาจากเราไปก็ต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจก็เป็นทุกข์เนีย เขาก็ไม่ใช่เป็นสมบัติของเราไม่ใช่ตัวเราเขาไม่อยู่กับเราไปตลอดร่างกายของเราก็ไม่ใช่สมบัติของเราไม่ใช่ตัวของเราร่างกายของเราสักวันหนึ่งก็ต้องกลายเป็นขี้เถ้าที่ฐ่านไปเมื่อถึงเวลาที่เขาจับเราใส่โรงจับขึ้นเมนเข้าไปเผาก็ไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ขี้เถ้าเหลือแต่เศษกระดูกนี่คือความจริงของชีวิตของพวกเรา ที่พวกเราควรที่จะศึกษาควรที่จะสอนตัวเราอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราศึกษาและคอยเตือนเราอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะได้ไม่เป็นหลงยึดติดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเราจะไม่หลงยึดติดว่าจะให้ความสุขกับเราเรากลับจะเห็นว่ามันจะให้แต่ความทุกข์กับเราแต่ถ้าเราไม่ยึดไม่ติดเราปล่อยวางไม่เดือดร้อนไม่กังวล จะเป็นอะไรก็เป็นไปดูแลไปตามมีตามเกิดตายก็ตายเจ็บก็เจ็บแก่ก็แก่ถ้าคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่ทุกข์นี่แหละคือบุญกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสู้เห็นและทรงได้ปฏิบัติมาแล้วและได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากการปฏิบัติบุญกุศลหน่านีแล้วเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์ แก่จิตใจเป็นอย่างมากไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มีคุณค่ามีประโยชน์เท่ากับบุญกุศลต่างๆเหล่านี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสละเวลาของพระองค์ตลอดระยะเวลา45ปีหลังจากที่ได้ทรงตัดสรูพระอมิตรสัมมาสัมพุทสัมโพธิญาแล้วก็ทรงประกาศพระศาสนาสอนสัตว์โลกทั้งหลายให้เห็นคุณค่า ของการสร้างบุญสร้างกุศลให้เนคุณค่าของการเสียสละบริจาคทรัพย์ส่วนตนให้ทำทานให้ช่วยเหลือให้สงเคราะห์ผู้อื่นให้รักษาศีลไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นให้ปฏิบัติทำจิตใจให้สงบนิ่งเย็นสบายแล้วก็ให้เจริญวิปัสสนาเจริญความความรู้ที่จะมาตัดความโลภความโกรธความหลง ให้หมดไปจากจิตจากใจสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทำให้กับพวกเราได้แต่พระพุทธเจ้าจะปฏิบัติแทนพวกเราไม่ได้จะทาให้พวกเราจะทาบุญแทนพวกเราไม่ได้รักษาศีลแทนพวกเราไม่ได้นั่งสมาธิแทนพวกเราไม่ได้จเจริญวิปัสสนาแทนพวกเราไม่ได้เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องทากันเองถ้าเราขยันเรามีความเชื่อ ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเป็นประโยชน์สุขกับเราอย่างแท้จริงเราก็จะพยายามปฏิบัติตามให้ได้อย่างที่พวกท่านทั้งหลายมาทํากันในวันนี้ก็เป็นเพราะว่าท่านเชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้มีคุณมีประโยชน์กับชีวิตจิตใจของตนจะทําให้ตอนมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลง จะทำให้พบชาติน้อยลงไปจะทำให้การที่จะต้องไปเกิดในอบายนั้นน้อยลงไปและจะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงในที่สุดถ้าปฏิบัติอย่างไม่ลดละอย่างไม่ท้อถอยทุกวันทุกเวลาอย่าไปเสียดายกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสมบัติเข้าของเงินทองหรือบุคคลต่างๆสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากเขาไป หรือสักวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปถ้าเรามามัวเสียดายมาห่วงมากังวลมาเสียเวลาดูแลรักษามาเสียเวลาหามาเพิ่มก็เป็นการทำกิจกรรมที่ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไม่สามารถทำให้จิตใจมีความสงบมีความอิ่มน้าสาราญใจได้ มีแต่จะเอาสิ่งเหล่านี้ไปบริจาคเอาไปช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้อื่นเท่านั้นถ้าสิ่งไหนมันไม่จำเป็นกับเราเราอยากเก็บเอาไว้ให้มันเกะ ก, กะลกบ้านเอาไปทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นและทำประโยชน์ให้กับจิตใจของเราในขณะเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเสียสละไปนี้จะทำให้จิตใจเรารู้สึกเบาขึ้นโล่งขึ้นสบายขึ้น มีความสุขมากขึ้นถ้าเรามีมันอยู่เราก็จะต้องรู้สึกหนัก อ, อกหนักใจเพราะจะต้องคอยดูแลรักษาคอยห่วงคอยกังวลและเวลาเกิดมันทัดท่าจากเราไปก็รู้สึกเสียอกเสียใจรู้สึกเจ็บแค้นขึ้นมาได้คนบางคนเวลาสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปจะเกิดความเจ็บแค้นเจ็บใจขึ้นม า, มากเพราะ เป็นคนที่ยึดติดกับวัตถุสิ่งของมากไม่เคยไม่ชอบทาบุญให้ทานไม่ชอบเสียสละในทางตรงกันข้ามคนที่เสียสละอยู่เรื่อยๆบริจาคอยู่เรื่อยๆให้อยู่เรื่อยๆจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเสียดายเวลาเกิดสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเช่นขโมยมามาขโมยทรัพย วิทยุพัดลมไปแทนที่จะเสีย อ, อกเสียใจเขากลับคิดว่าเป็นการทำบุญให้ทานไปเขากลับมีความสุขดีใจว่าจะได้ซื้อของใหม่มาใช้ของเก่าก็ใช้มานานแล้วที่ไม่ได้ไปซื้อมาใหม่ก็เพราะว่าเห็นมันยังใช้ได้อยู่แต่เมื่อมันถึงเวลามีคนเขาต้องการอยากจะได้ก็ให้เขาไปให้แล้วใจก็สบายมีความสุขเพราะเป็น เป็นนิสัยของคนที่ชอบเสียสละชอบให้อยู่แล้วจะไม่รู้สึกเจ็บเจ็บใจโกรธแค้นโกรธเคืองแต่อย่างใดแต่กับกับมีความเมตตาสงสารเห็นว่าถ้าเขาไม่เดือดร้อนจริงๆเขาก็คงจะไม่มาลักขโมยให้ต้องเสี่ยงภัยกับการถูกจับเข้าคุกเข้าตารางเนี่ยคนเราถ้าไม่เดือดร้อนจริงๆ แล้วไม่มีปัญญาที่จะหามาด้วยความสุ ด, สดจริตได้เขาก็ต้องหามาด้วยวิธีทุจริตแต่ถ้าเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคอยดูแลคอยช่วยเหลือกันคอยคอยให้อะไรกันอยู่เขาก็อาจจะไม่ต้องมารักเล็กขโมยน้อยก็ได้และนี่คือความคิดของคนที่ชอบทาบุญให้ทานจะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่น ถ้าถ้าให้ผู้อื่นอยู่เรื่อยๆช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะไม่รู้สึกอยากจะไปเบียดเบียนไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเวลาจะทําอะไรก็มักจะคํานึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นเสมอทําไปแล้วทําพื่ให้ผู้อื่นเขาทุกเดือดร้อนหรือไม่ถ้าเขาทุกก็ไม่ทํานี่จะเป็นจิตใจของคนที่ชอบเสียสลัชอบทําบุญให้ทาง แล้วเขาจะเห็นว่าความสุขนั้นอยู่ที่การทำบุญอยู่ที่การรักษาสีงและเขาก็อยากจะให้มันสงบให้มีความสุขมากกว่านี้เขาก็จะนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบด้วยวิธีต่างๆด้วยการสวดมนต์ไหว้พระไปก็ได้ด้วยการบริกรรมพุทโธไปก็ได้ด้วยการกำหนดดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้ข้อสำคัญให้มีสติคอย รู้อยู่ว่ากำลังทำงานที่ให้ทำอยู่หรือเปล่าถ้าเผลอก็ต้องเดินกลับมาถ้าให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้วเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องเดินกลับมาให้มาดูลมหายใจเข้าออกถ้าบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่แล้วเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องเดินกลับมาให้มาบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเมื่อทำไปได้เรื่อยๆแล้วจิตไม่เผลอจิตก็จะสงบ น่าจะนิ่งไปในที่สุด ข, ขณะที่จิตนิ่งนี้ก็จะมีความสุขที่แปลกประหลาดมหศัศจรรย์ที่ไม่เคยพบมาก่อนเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงจรัว่าเป็นความสุขที่เหนือความสุขอื่นใดในโลกนี้เมื่อเราเห็นความสุขอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เราอยากจะรักษาความสุขนี้ให้อยู่กับใจของเราไปตลอดแต่ความสุขนี้ของสมาธินี้มันจะไม่อยู่ไปตลอดพอสักระยะหนึ่งมันก็จะ จางหายไปแล้วความคิดปรุงแต่งก็จะเกิดขึ้นมาถ้าเราไม่ดูไม่เฝ้าดูแลความคิดปรุงแต่งปล่อยให้คิดไปในทางความโลภโกรดหลงมันก็จะสร้างความฟุ้งซ่านสร้างความทุกข์ขึ้นมาใหม่ถ้าเราไม่ต้องการให้มันสร้างความทุกข์เราก็ต้องให้มันคิดไปในทางวิปัสสนาให้คิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอะไรก็ต้องคิดเสมอว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเกี่ยวกับข้องกับอะไรก็ตามจะเพื่อเราจะได้ไม่ยึดไม่ติดไม่ไม่หวงไม่กังวลไม่ห่วงถ้าเราไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะยึดติดเราอยากจะให้มันอยู่กับเราเป น, นานๆเป็นของเราไป น, นานๆมันก็จะเกิดสร้างความเครียดให้กับเราเวลาที่มันมีอะไรมากระทบที่จะทำให้มันต้องจากเราไป แต่ถ้าเรามีวิปัสสนาเราคอยเตือนใจอยู่เสมอว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเราสักวันหนึ่งมันต้องจากเราไปอย่างแน่นอนพอถึงเวลามีอะไรมากระทบจะทำให้มันต้องจากเราไปเราก็ปล่อยมันเราไม่ไปยึดไปติด อ, อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้จะไปก็ไปจะคิดอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วใจก็จะมีความสงบมีความสุขอยู่ทุกขณะทุกเวลา นี่แหละคือเรื่องของความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราที่เกิดจากการดูแลรักษาด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการบริจาคด้วยการเสียสละด้วยการไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยการทำจิตใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญาวิปัสสนาให้รู้แจ้งเห็นจริงให้รู้ทันความหลง ป้องกันไม่ให้ความหลงหลอกให้ไปหลงยึดติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะรู้ว่าอย่างไงอย่างไงสักวันหนึ่งก็ต้องจากกันไปไม่เขาจากเราไปก่อนหรือเราก็จากเขาไปก่อนหรือไม่เช่นนั้นก็จากไปพร้อมๆกันก็มีอยู่เท่านี้ชีวิตของเราสักวันหนึ่งก็ต้องมาถึงจุดจบร่างกายของเราก็ต้องกลายเป็นซากศพกลายเป็นที่เท่าที่ฐานไป ทรัพ ส, สมบัติเช่าของเงินทองต่างๆบุคคลต่างๆที่เราหลงรักหลงชอบหลงยึดติดก็จะไม่ได้อยู่กับเราต่อไปถ้าเรามีปัญญาเราปล่อยวางได้เราก็จะไม่ทุกข์เมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องจากกันในขณะที่อยู่ด้วยกันเราก็ไม่กังวลเราก็ไม่ห่วงเราไม่เดือดร้อนอะไรจะเกิดก็เกิดเพราะเราเตรียมตัวเตรียมใจอยู่แล้วรู้แล้วว่ามันจะต้องเกิด นี่แหละคือบุญกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกมาตลอด45ปีด้วยกันก็สอนเรื่องนี้สอนเพื่อให้สร้างความสุขให้กับใจสอนเพื่อดับความทุกข์ให้ที่มีในใจให้หมดสิ้นไปสอนให้ไปถึงพระนิพพาน mm. เพื่อจะได้ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปพวกเราผู้ที่มีจิตศรัทธา ก็ขอให้เราจงมีความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่และพยายามผลักดันตัวเราเองให้พยายามทําบุญทําทางรักษาศีลปฏิบัติธรรมให้มาก ย, ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆให้ขยับขึ้นไปเรื่อยๆอย่าสักแต่ว่าทําเคยทําเท่าไหร่ก็ทําเท่านั้นควรจะพัฒนาเหมือนกับเด็กที่เรียนหนังสือเรียนจบป .1 แล้วก็ต้องขึ้นป .2 ขึ้นป .3 ไป เราเคยทาบุญขนาดนี้วันต่อไปเราก็ควรจะทําทเพิ่มมากขึ้นไปโดยรักษาศีลได้กี่ข้อก็ควรจะรักษาให้มากขึ้นไปเคยนั่งสมาธิได้กี่ชั่วโมงก็ต้องนั่งให้มากขึ้นไปเคยพิจารณาวิปัสสนาได้มากเท่าไหร่ก็ต้องพิจารณาให้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนให้มันเต็มร้อยเมื่อมันเต็มร้อยแล้วรับรองได้ว่าผลอันเลิ่ประเสริฐทั้งหลายจะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอน เพราะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ตั้งอยู่บนเหตุและผลไม่ได้ตั้งอยู่ที่ความอยากความต้องการความอยากความต้องการไม่ใช่เป็นเหตุที่จะทําให้สิ่งต่างๆที่เราอยากที่เราต้องการปรากฏขึ้นมาแต่การกระทํานี่ต่างหากที่เป็นเหตุเราอยากได้เราเราสร้างมันขึ้นมาทํามันขึ้นมาแล้วมันก็จะปรากฏผลขึ้นมาอยากได้ข้าวก็ต้องปลูกข้าว เดี๋ยวข้าวมันก็งอกออกมาอยากเฉยๆแล้วนั่งรอให้ข้าวมันงอกมาจากความอยากนี้อยากไปจนวันตายก็ไม่มีข้าวปรากฏออกมาได้ฉันใดอยากจะมีความสุขความเจริญอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ต้องสร้างบุญสร้างกุศลตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราสร้างกันจึงขอให้เราพยายามปฏิบัติจนกว่าชีวิตของเราจะหาไหม่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 ด้วยอายุวันละสุขภาระโดยทั่วหน้ากันเธอ